ถ้าหลวงพ่อบอกว่าอา้าวตอไปนี้ห้ามทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจงทำตอไปนี้หนะึ่งสองสามสี่ห้านะเมื่อไร่จะรู้สึกเรียนง่ายแต่กรรมาฐานชนิดที่ไม่ทําอะไรฟังเรายากใจของเราเองเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลปรุงอกุศลตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดการปรุงแต่งเลย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 ถ้าได้กินอันนี้จะมีความสุขถ้าได้อยู่บ้านตรงนี้จะมีความสุขดิ้นหาความสุขไปเรื่อยหาแล้วมันก็ไม่อิ่มมันเนื้ไม่เต็มอย่างพอเราอยากได้อะไรเราดิ้นรนนะเหนื่อยแทบตายเลยพอได้มารู้สึก ง, งั้นๆเลยเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกเดิ้นรนไปตามความอยากนะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มพระาถึง บ, บอกว่าแม่น้าเสมอด้วยตันหาไม่มี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 ที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงไม่มีใครดับเวทนาได้ถ้าดับได้ก็ดับทุกขเวทนาได้ชั่วคราวดับสุขเวทนาได้ชั่วคราวแตละใจก็เฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนาพอมีอุเบกขาเวทนาโมห า, าก็แทกโมหะแทกเข้ามาใจก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ใจก็หดหูใจก็ปรุงแต่งอกีกเพราะฉนั้นการจะตัดวงจรของภบของชาติเนี่ยไม่ได้ไปตัดที่เวทนา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 กามนิตเที่ยวสแสวงหาธรรมะเที่ยวสแสวงหาธรรมะเพื่อว่าตัวเองจะได้มีความสุขถาวร น, นการมนิตเที่ยวไปเรื่อยๆจนเจอพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าเทศเรื่องไม่มีอาัตตาตัวตนที่ถาวรเนี่ยการมนิตรับไม่ได้นะรับไม่ได้เลยจนกระทั่งผ่านไปนานนะตายแล้วไปเกิดในสวรรค์สุดท้ายไปอยู่ในพรหมโลกเพาสวรรค์ล่มลงไปสวรรค์ก็แตกดับ ไปเกิดในปรมโลกเจอกระวาสิตีอวาสิตีเลยแสดงภาพของพระพุทธเจ้าให้ดูวาสิตีเคยบวชเป็นภิกษุณีที่บวชเป็นภิกษุณีเพื่อจะหนีออกจาก บ, บ้านจะไปตามหาการรมันิตนะั่นจะหนีสามีนั่นแหละหากามนันทิเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่วาสิตีเนรมิตให้ดูก็จําได้ว่าคือพระเฒ่แก่ที่เคยคุยกันในบ้านช่างปั้นหมอนั่นเองแต่เดิมคิดว่าเ น, นี่ยคือสาวกปลายแถว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 อยากเรียนยากๆก็ได้นะเรียนกรมน ร, นกรมฐานเรียนาธาตุกรรมฐานเรียนธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ก่อนาธาตุดินน้ำไฟลมที่ประกอบเป็นกายของเราธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ด้วยกายาธาตุน้ำรู้ด้วยใจาธาตุพวกนี้เห็นไหมเริ่มยุ่งแล้วเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วใครอยากที่ยา ก, ยากๆนะฟังต่อไปนี้ใครไม่อยากยากลืมๆซะพนะวกเราหลายประเภทบางคนอยากเรียนยากก็เอา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 มีครั้งหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงปู่สินะตอนนั้นเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาก็คัดเลือกพวกว่าที่อธิบดีทั้งหลายไปเรียนหลวงพ่อนะ่ะเด็กเป็นที่สอบของรุ่นนะมีเด็กกับหลวงพ่ออีกคนเดียวเพราะเราเรียนให้เราทํางานเราตัวเร็วต้องไปเรียนกับพวกใกล้กระเสียนนะก็ พ, พากาันไะป้ไปดูงานที่เชียงใหม่พาขึ้นไปกราบหลวงปู่สินที่ถ้าผาปล่อง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 เมื่อจริ ง, รงๆหลวงปู่ผมไม่โกหกหรอกนู่ น, นต่อไปโนู่นเลยหลวงปู่เลยยิ้มหวานเลยนะรู้สึกเออได้แค่นี้ได้แค่นี้เนี่ยธาตุกรรมฐานนะดูยากดูยากดูความเป็นธาตุของมันแเราจะรู้สึก ต, ตลอดเวลาว่ามันคือตัวเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุต่รู้สึกหวงแหนรักมากเป็นตัวเรามากอะไรมาเกี่ยวมันนิดนึงนะกลุ้มอกกลุมใจแหละเดือดร้อน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 ธรรมะคืออะไรอย่างหนึง่งซำติงลึกลับอยู่ไกลๆต้องค้นกว้ากันอีกนานกว่าจะเจอเนี่ยล้วนแต่ความคิดที่ล้างผลานตัวเองทั้งสิ้นเลยธรรมะเป็นของง่ายๆอยู่ต่อหน้าต่อตาคืออยู่ที่กายที่ใจของเราเองเนี่เองไม่ใช่ไปหาที่อื่นรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้กายนี้เป็นธรรมะเรียกว่ารู ป, ปรธรรมจิตใจเป็นธรรมะเรียกว่านามรธรรม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 หลวงปู่บอกไปกลับไปไปดูว่าใหม่ที่ทําอยู่ไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะสอนนิดเดียวโัวเราต้องคลําคําพูดท่านแต่ละคำนะั้นต้องเอามาคลําแล้วคลาอีกลองแล้วลองอีกใช่ไม่ใช่นะลองจนมั่นใจแล้วก็ไปหาท่านอีกทีไปสอบเข้าห้องสอบงั้นต้องคอยรู้เอามันไม่ได้ยากแบบที่คิดหรอกธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เอง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 เอาซีดีเอาหนังสือหลวงพ่อไปไปฟังไปอ่านแจกให้ฟรีนะไปฟังไปอ่านแล้วค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปฟังซ้ําแล้วซ้ํำอีกมีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวเคยมีผู้หญิงคนนึงสมัยน้นไม่มีซีดีแกเอเทปมาร์ทเองนะมีอยู่ม้วนเดียวแกฟังแล้วเทปยืดเลยแกก็ตื่นขึ้นมาเลยนะมีอยู่ม้วนเดียวนะนะั่นแหะเดี๋ยวนี้สบายนะซีดีมันไม่ยืด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 ถ้าจิตใจหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึื่อๆไม่เกิดปัญญาหรอกเกิดแต่ความทุกข์ทรมานงั้นภาวนาแล้วแข็งแข็งแล้วก็ทําผิดนะจำกิดจบแล้ววันนี้เอ้ามีเวลาเล็กน้อยใครจะคุยกับหลวงพ่อคนนี้มาทุกวันเลยทำไมคุยทุกวันเอาไมโครโฟนส่งหน่อยไมโครโฟนภาวนาดีนะภาวนาใช้ได้แล้วใจตื่นแล้ว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 ที่ผ่านมาบางทีมันจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นหรออาแต่บางทีมันสึกมันเหมือนมันจะยิ้มแต่บางช่วงนะคะหลวงอาอะไรอยู่พดิมหมันจะยิ้มตลอดนะคะวันนี้ไม่ยิ้มมืวันนี้มัวค่ะดูออกไหมหรือวันนี้เจ๋งนะเปล่าค่ะแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าว่ามันจอบลงอะค่ะเออมันดอบลงไปผ่าซ่อนแก้วมาหรือเฮ้ยใช่เลยค่ะหลวงอาหลวงอารู้ได้ยังไงนะคะสายลับเยอะ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 ก็กใช่ค่ะหลวงอาคุยกันคนละประโยคนก็หมดชั่วโมงหนึ่งละนั้นต่อค่ะที่ผ่านมะที่ผ่านมานั่นสุ่มว่ามันจะมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะหลวงอามันสุกจิตมันยอมมากขึ้นนะคะแต่ดีที่นั่นภาวนาดีปาวนานง่ายหลวงอาจะไปอีกไหมคะที่นั่นสวยนะคะหลวงอาเอาสวยมาล่อไม่สําเร็จหรอกหลวงพ่ออนาจมาชวนเรื่อแหละแต่หลวงพ่อเขต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 โหตอนที่จะแก้มันขึ้นมาปรับตัวให้ดีขึ้นมานะไม่ใช่ง่ายนะงั้นไปบอกเขานะหลูกหลวงพ่อบอกว่ากินเหล้าก็ภาวนาได้แต่ผลของอกุศลก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคนนนยกก่อนอยากทราบว่าที่ทำหยูปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือเปล่าคะหลวงพ่อเกือบเกือบ <c oughs> แล้ ว, ลวเสียใจไหมั้ย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 ภาวนาแล้วเห็นแต่กิเลสเยอะเลยใช่ได้นะถ้าคนไหนมาบอกหลวงพ่อพอกภาวนาแล้วไม่มีกิเลสเล ย, เยอาการหนักนะสนแสดงว่าไม่เห็นตัวจริงของเราเราร้ายกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับออรแต่ตอนนี้คือจะเห็นนะครับว่าสภาวะต่างๆมันมันจะมาครับถ้าว า, า, างบางบางบางอย่างเนี่ยอย่างเช่น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 แต่ก็ไม่ห้ามมันหรอกนะที่ทําอยู่ใช้ได้โ อ, อกาสครับหลวงพ่อครับคือที่หลวงพ่อบอกว่ายังไม่ตื่นนี่แล้วยังไงถึงเ ร, เรียกว่าตื่นครับผมไม่ทราบว่าทําจิตยังไงดีครับหลวงพ่อคือมันพูดยากนะว่าตื่นหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> มันเหมือนถามหลวงพ่อว่าแอปเปิ้ลรสชาติเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> เคยไหมที่กําลังเผลอๆ อ, อยู่แล้วรู้ว่าเผลอกําลังใจลอยดีไปคิดเรารู้ว่ามีไปคิดแล้ว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 เป็นไหมใจไม่สบายเหมือนเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมใจกลับมาสบายแล้วรู้สึกไหมดูอย่างนี้นะมนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายง่ายสุดจิดเลยง่ายจนยากก็เรียกเส้นผมบางภูเขางั้นคําในสติปัฏฐานนั้ง่ายที่สุดเลยไหมยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้กฟังเราง่ายชะมัดเลยแต่ไม่เห็นมีฝ้าหรืยะเท่าไหร่เลยใช่ไหมง่ายง่ายนี่หละมันยาก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 เห็นไหมมัวมัวไอีกแล้วเพระแอบอิชิตดูออกไหมใจเปลี่ยนไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวเบิกบานเดี๋ยวเดี๋ยวซึมซึมเดี๋ยวโล่งเดี๋ยวหนักนั่งดูไปเรื่อยเรแต่อย่าจ้องนะอย่านั่งจ้องอ่ะคนนี้เสื้อสีสม้มก็รู้สึกว่ารู้ตามสภาวะได้บ่อยขึ้นนะคะดีสภาวะอะไรเกิดบ่อยที่สุด อ ะ, อ, อะไรนะรู้สึกหลงไปดูถูกต้อ ง, องถูกเป๊ะเลยเห็นไหมภาวนาเป็นนะพูดออกมาเหมือนตำราเยี่ยมเลยโมหะเกิดล่อยที่สุดเลยหลงเพราะราคาโทสะจะเกิดได้ต้องอาศัยโมหะเป็นพื้นฐานเลยถ้าใจไม่หลงไปนะราคาโทสะไม่มีไม่เกิดเนี่ยตอนนี้หลงอีกแล้วทราบไหมใช้ได้เวื่เจสิบเอ็ดใช้ได้เมื่อกี้ใครยกมือทางนี้แวบๆเอาคนโน้นแกบบ่อนแหะเมื่อกี้นี่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 หรือว่ารู้จริงที่รู้นี่ถูกหรือเปล่าครับรู้ถูกแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเวลาที่จิตเราไปรู้สภาวะนะั้ะโดยไม่จงใจจะรู้ว่าจิตมันจะตื่นขึ้นมาแว บ, บหนึ่งจะโล่งๆเบาๆสบายนะปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นมาแต่พอเราไปจําสภาวะว่ารู้แล้วต้องโล่งขึ้นมาได้เนะี่ยเราก็เลยอยากจะโล่งพออยากจะโล่งไปดูนะเราดูเมื่อไหร่จะโล่งสติเลยไม่โล่งเลยนั้นบางทีก็เลยตื่นบางทีก็เลยไม่ตื่น ถ้าเมื่อไหร่กิเลสแทรกความจงใจแทรกนะก็ไม่ตื่นเมื่อไหร่ไม่ได้เจตนานะก็ตื่นขึ้นมาที่ทำอยู่ใช้ได้แจคลูกศิษย์แจกเก่งอาจารย์เก่งนะอา้าวแจกชงกันบ้างเดี๋ยวนะคุณผู้หญิงนะาต้ อ, องต่อจากคุณนี้อีกทีกลับนรำสการหลวงพ่อครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆตำรวจนะครับจีนนะ่ะตำรวจมีท่านรองผู้การนั่งอยู่ด้านโน้นด้วยครับ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 อย่าถาลาลงไปดูไวที่แผ่นนั้นก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีสตินะ่ะแต่ไม่บังคับตัวเองนะที่จา๋าจ๋าขนาดนี้บังคับตัวเองเยอะไปแล้วบางครั้งก็คือเห็นเห็นใจมันเปลี่ยนแบบเหมือนยุบยิบยิบยิ บ, ยบแบบเร็วๆอะคะ่ะยิ่งรู้ก็ยิ่งเปลี่ยนเร็ ว, ออวก็ตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันให้รู้ภาพรวมลงไปเลยว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่มันเป็นยิบยิยิ บ, ย บ, ยบแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ว่าคืออะไร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 Oh. อย่าไปเพ่งตัวผู้รู้นะค่ะดีที่ฝึกอยู่ใช่ได้ครับไม่เดี๋ยวนี้พระบิณฑบาต ท, ท่านพกซีดีลงพ่อไปแจกเลยอาเชิญยอมกลับบ้านไป